ที่ถามทั้งหมดเนี่ยในข้อวัดปฏิบัติที่เราทำํำทำกันอยู่เนี่ยเราแทบไม่ต้องตอบดอกเราอยากรู้ว่าทําประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวนะทําไปทําอะไรบ้างประโยชน์อย่างอื่นที่เราทําเป็นเบ็ดเสร็จอ น, นุนิทอันนี้หน่อยมันหากจําเป็นต้องได้ทําก็ทําไปไม่ทําก็อย่าไปทําไม่จําเป็นก็อย่าไปทํา เราอยากจะทราบเรื่องการท่องบน่นเรื่องสวดมนต์เรื่องภาวนาเรื่องอะไรไปอย่างอื่นอย่างนั้นอะเรื่องการตั้งใจปฏิบัติกากับดูแลจิตใจตัวเองเรื่องอย่างอื่นแล้วก็อย่าไปอย่าไปกำหนดจดจอ่ออย่าไปหาเรื่องทำอะไรกับมันให้มาก แต่หากจำเป็นได้จัดได้ช่วยได้ทำได้อะไรก็ทำไปเท่านั้นแหละข้อวัดส่วนตัวน่ะสำคัญข้อวัดส่วนรวมส่วนตัวข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมก็จำเป็นก็ต้องได้ทำวัดกว่าเช็ดถู ดูแลเสนาสนะนี่มันจำเป็นมันก็ต้องได้ทำฝนตกพายุมันพัดต้นไม้หักต้นไม้โค่นใบไม้มันรกเรือนไปหมดนี่ ห, นหากมันจำเป็นเราก็ต้องได้ทำปัดกวาเช็ดถูดูดแล ศาลาเนี่ยมันหักจำเป็นเราต้องไหนทำถ้ามีฝนมีลมพายุด้วยฝนด้วยมันก็พัดมาที่ศาลาเนี่ยรอบข้างตรงไหนที่มันศาสตร์ได้มันก็สาดเปียกเสร็จหมดเนี่ยพอฝนตกหยุดเราก็ต้องมาช่วยดูกันเช็ด มาเช็ดมาปัดมาดูแลมารักษาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจําเป็นต้องได้ทำเราไม่ทำไม่ได้ครบเราต้องได้ช่วยกันทำนี่เป็น้อวัดเป็น้อวัดภายนอก้อวัดภายในส่วนตัวท่องบนนี่เราต้องท่องนะ ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ให้พรยญาตสัพปีตลอดจนบทอื่นๆที่เราควรจะดูจะท่องจะสวดเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเราจะไปอาศัยความเกลียดคร้านแล้วอันนั้นก็ไม่จําเป็นอันนี้ก็ไม่จําเป็นอันนั้นก็มากเกินไปอันนี้ก็มากเกินไป หาความเกียดคร้านหากเกิดความเกียดคร้านอนั้นกะวันนี้ไม่จาเป็นอันนี้นก็ไม่จําเป็นหืออันนั้นใครทําก็ทําเถอะเราไม่ทําอันนี้ใครทําก็ทําเถอะเราไม่ทําแต่ถ้าเป็นข้อวัดแล้วเราต้องทําข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมข้อวัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นี่เราต้องทํา หากว่าเราอาศัยขอวัดเป็นอยู่เราไม่มีงานการอย่างอื่นถ้าพูดถึงขอวัดส่วนตัวมันเป็นข้อวัดที่ละเอียดเข้าไปท่องบนเนี้ยท่องก็คือท่องบทสวดนั่นแหละบนก็คือภาวนานั่นแหละหรือท่องบนบทสวดเราท่องไปบนไปเดินว่าไปเดินอะไรไปอย่างเช่นอย่างท่องปฏิโมกขอย่างเงี้ย แล้วก็ท่องไปเดินว่าไปปิดหนังสือเดินว่าไปท่องบนสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดเย็นนี่จำเป็นทั้งนั้นอ่ะอันนี้ขอวัดส่วนตัวเนี่ยต้องทำแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นอีกก็คือภาวนานี่เราต้องทำพูดถึงว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเราจะไปพูดถึงว่าโอกขนฟืนโอ้ฟันไม้ โอ้ทำนู่นทำนี่ไอ้นั้นหากจำเป็นก็ทำไม่จำเป็นก็อย่าไปทำหากเป็นงานของส่วนส่วนรวมมีความเกี่ยวข้องกันมีความผูกพันกันต้องดูแลช่วยเหลือกันเราก็ช่วยกันทำไปหากอันไหนไม่จำเป็นก็อย่าไปหาคิดทำอันไหนจำเป็นเราก็ทำไปมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดต้องทำ การรักษาการดูแลศีลอาสนะเราก็ช่วยดูแลกันดูแลซ่อมแซมเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลต้องจัดต้องทําแต่หากยกให้เป็นเรื่องของการภาวนาเป็นงานจําเป็นที่สุดในหัวใจของเราแต่ละคนแต่ละคนงานภาวนาเป็นงานสร้างสรรค์ข้างในใจของเรา เป็นงานสร้างเสริมสติปัญญาให้กับตัวเองสร้างเสริมความฉลาดให้กับตัวเองสร้างเสริมเพื่อทำลายความโง่ความลุ่มหลงในใจของเราหัดสร้างเสริมสติสมัญญะปัญญาวิทยาอุตสาหะความภาคความเพียรให้กับจิตใจของเรา นี่คือในภายในมันเป็นการสร้างคุณภาพให้กับชีวิตจิตใจของเราถ้าเราไม่สร้างสิ่งเหล่านี้เราเท่าเดิมเราเคยโง่ยังไงเราก็โง่อยู่อย่างนั้นเคยลุ่มหลองอยังไงเราก็ลุ่มหลองอยู่อย่างนั้นเราทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่สร้างเสริมสิ่งเหล่านี้ คุณธรรมในใจของเราอยู่เฉยๆให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นจะไม่เกิดคุณธรรมจะไม่เกิดคุณธรรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราต้องต่อสู้ต้องอดต้องทอนต้องฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นอํานาจฝ่ายต่ํามันต้องต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอํานาจฝ่ายต่ําคืออํานาจของกิเลส กิเลสมันพาให้เราโง่กิเลสมันพาใหเราทึบกิเลสมันพาให้เรายึดเราถือกิเลสมันพาให้เราทุกข์มันพาให้เราขี้เกียจกี่คร้านพลังทั้งหลายเหล่านี้เป็นพลังของกิเลสเราต้องการให้ทุนธรรมเจริญในหัวใจเราต้องฝืนต้องฝ่าฝืนต้องอดต้องทน ต้องใช้ขันติความอดความทนต้องใช้วิริยะอุตสาหะวิริยะความภาคความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละความขยนันความหมัน่นความเพียรฟังที่ว่าเพียรเพียรเพียรทำแล้วทําเล่าทําแล้วทําอีกทํากําหนดจดจ่ออยู่นั่นน่ะทำเก่าเก่านั่นแหละหากทําไปแล้วมันจะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อย ทำความผ่าความเพียนความเพียนเ พ, เพียนแก้เพียนหาเหตุเหตุแห่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเพียนหาเหตุเหตุแห่งความทุกข์ความยากความลําบากเหตุแห่งตันหาอุ ป, ปาทานที่มันดึงจิตของเราไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันพยายามหาเหตุมัน เราโยนเหตุไปที่ไหนเราสร้างเหตุที่ไหนเหตุเหล่านั้นมีอะไรทำมีผีสางนางไม้เทวดาพญามารอินพรหมที่ไหนมาทำหามันดูผพ้จะได้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ถูกต้องว่า น, นี่คือสาเหตุที่แท้จริงพาให้เราทุกข์พาให้เรายากพาให้เราลำบาก นีเป็นงานข้างใ่เป็นงานละเอียดเราพยายามชำระสิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งที่เป็นอำนาจฝ่ายต่ำมันค่อยๆจาะไปล้างไปก็ค่อยเบาไปจิตของเราก็จะเริ่มตื่นขึ้นตื่ น, น, นขึ้นตื่นขึ้นความฉลาดภายในก็เริ่มมีจิตไม่เคยได้รับความสงบไม่ได้รไม่เคยมีพลังแห่งความสงบเนื่องจากเราตั้งอกตั้งใจ บริกรรมพุทโธพุทโธจิตอยู่บ้างจิตก็จะเริ่มมีความสงบไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้กันว่าความผาสุกมันเป็นยังไงมันหาได้ประสบพบเห็นได้รับรสชาต์ภายในใจของเราด้วยตัวของเราเองนี่เป็นงานที่เราต้องทำ การสร้างเสริมคุณภาพให้กับชีวิตจิตใจของเราจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่าลืมว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ถ้ำกลางสนามฝึกเนี่ยอยู่ตรงนี้เราอยู่ท้ำกลางสนามฝึกทําอะไรเราต้องศึกษาทั้งนั้นเราต้องเป็นอยู่ด้วยการศึกษาทําข้อวัดก็ต้องศึกษาวินทบาทก็ต้องศึกษา ในขณะเดินบินสบายก็ต้องศึกษาตอนไปตอนกลับก็ต้องศึกษามาจัดอาหารใส่ในบาทก็ต้องศึกษาขบชันเข้าไปในปากเคี้ยวมีรสมีชาตินี่ก็ต้องศึกษาต้องศึกษาหมดเราอยู่ท่ามกลางสนามฝึกฝึกฝนอบรม งานหนักงานเบางานภายนอกงานภายในงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานอะไรก็ตามเราทำเพราะเราเป็นนักศึกษาทำเอาความขยันหมั่นเพียรทำเอาความอุตสาหะความพยายาม ทำเอาความตื่นเนื้อตื่นตัวทำเอากำลังเอาเรีม่มเรียวแรงของธรรมะเพิ่มเติมเพิ่มพูให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราต้องจะต้องทำไม่ทำไม่ได้มันไม่มีอะไรจะเจริญเงอะงเงยเจริญงอกงากิเลสในหัวใจของเราเราไม่ต้องสร้างสรรค์กิเลสในใจของเราเราไม่ต้องสร้างสรรค์เราไม่ต้องแสวงหา เพราะกิเลสมีอยู่ในใจของเราทั้งดุนใจของเรานั้นมีกิเลสใจของเราทั้งดุนนั่นแหละนั่นแหละคือตัวที่อมแปร่ไปด้วยกิเลสใจของเรามันอมกิเลสดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นกิเลสความอยากความรักความกำหนัดความยินดีความพอใจไม่พอใจยินดีก็คือพอใจ ยินราคือไม่พอใจความดีใจความไม่พอใจความทุกข์ใจความยากใจความลำบากใจมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวสารพัด ท, ที่จะมาพึงถูกยึดถูกเหนียวจากอำนาจของกิเลสในหัวใจมันดึงไปมันโน้มไปมันนงอไป มันเกาะเกี่ยวไปมันผูกพันไปมันเป็นพลังธรรมชาติอย่างหนึ่งเราไม่ต้องสแสวงหามันเป็นเองนี่แหละคือพลังของวัฏจักรพลังของวัฏจักรน้องตาท่านว่านี่แหละคือเจ้าคือจอมของวัฏจักรตัวอำนาจของคิเลศที่มีแรงหัวใจของเราของท่านนี่แหละเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นพลังของวัฏจักร วัฏฏจักรก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดเหยียเจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวัฏฏจักวัฏฏจักมันสลับเปลี่ยนเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันส่งกันเกิดแก่เจ็บตายนี่ต้อเรียกว่าวัฏฏจักวัฏฏจักวัฏฏะสงสารวัฏฏะวนนี่พวกเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัฏฏจัก เกิดแก่เ <rude> จ <ism> ็บตายตกอยู so so so so so so so ่ภายใต้อำนาจของวัฏฏะวนกิเลสกรรมวิบัติกิเลสกรรมวิบากเป็นเหตุให้เราได้วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็คือกองทุกเกิดแก่ก็คือกองทุกพาแก่เจ็บก็คือกองทุกพาเจ็บตายก็คือกองทุกผาตาย ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับสังขารทั้งหลายมันมีลักษณะเป็นทุกข์สังขารรูปของเราสังขาร น, นามของเราเ น, น, นี่มันเป็นตัวที่ทําให้เราได้รับความทุกข์ร่างกายของเรามันแปรปรวนเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายของเราเป็นสังขารได้มาจากพ่อจากแม่ประกอบกันเจริญใหญ่เติบโตขึ้นมาเป็นเราเป็นท่านอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยทุกอย่างในนั้นนั่นความประกอบกันนั่นแหละท่านเรียกว่าสังขารสังขารทั้งหลายเป็นทุกสังขารทั้งหลายขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกขมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นทุกข ไม่มีขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นทุกข์มีไหมไม่มีต้องมียนได้ไม่มีมากก็มีน้อยท่านเปรียบถึงพิษสงของสังขารท่านเปรียบเหมือนครับขูดรูจ้จักไหมขูดแม้มีปริมาณนิดๆหน่อยๆ เป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆ ย, ย่อมส่งส่งกลิ่นพึงรังเกียจโคดันโมดโคดันโมดก็คือปัสสาวะโคดก็คืออุจจาระหรือกะรีสะกะรีสะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมากกระตามน้อยกระตาม ความทุกข์ทัาไหรายก็ตามมาเหมือนคูดมีปริมาณเล็กน้อยย่อมมีกลิ่นพึงรังเกียจนี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารที่เป็นรูปของเรามันก็เกี่ยวข้องไปถึงสังขารที่เป็นน้ำโดยเหตุที่น้ำของเราในะลุ่มหลงนั่นแหละเราจึงยึดจึงถือจึงเกาะจึงเกี่ยวจึงผูกพันความยึดถือเกาะเกี่ยวผูกพันนั่นแหละ เกิดการยึดถือเกาะเกี่ยวผูกพันด้วยอํานาจของความหลงเรารู้จักไ้มความหลงอํานาจของความหลงคือหลงยึดหลงถือไม่รู้ตามภาวะที่มันเป็นจริงก็เลยหลงยึดยึดเพราะหลงหลงถือถือเพราะหลงที่สันเดียก ว, ว่ายึดมั่นถือมั่น ด้วยอำนาจความลุ่มหลงผู้ที่ท่านรู้แล้วท่านไม่ไม่ลุ่มหลงผู้ที่รู้แล้วท่านไม่ลุ่มหลงผู้ที่ไม่ลุ่มหลงท่านไม่ยึดอะไรมาเกี่ยวข้องท่ารับทราบและถ้าก็ปล่อยโดยโดยโดยอัตโนมัติไม่ยึดไม่เกี่ยวไม่ผูกพันไม่ติดใจที่จะดึงเข้ามาไม่ติดใจที่จะผลักออกไปหากแต่ว่าสัมผัส แล้วก็ผ่านไปสัมผัสแล้วก็ผ่านไปอันนั้นคือผู้ที่รู้รู้ว่า น, นี้เป็นรูปเ อ, อัอ น, นี้เป็นเสียงอันนี้เป็นกลิ่นอันนี้เป็นรสเป็นสัมผัสมากระทบตามากระทบหูมากระทบจมูกมากระทบลิ้นมากระทบกายละเอียดลึกเข้าไปในใจมากระทบใจไม่ได้หลงยึดหลงถือไม่ได้เยอะหลงยึดเข้ามาดึงดูดเข้ามา ไม่ได้หลงผลักออกไปทีบออกไปบนเพื่อรำพึงรำพันเพื่อที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นออกไปรู้แล้วก็เท่าเดิมปล่อยรับทราบรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็ปล่อยอันนั้นคือภาวะของผู้ไม่หลงนี่เทียบให้ฟังว่านั่นคือภาวะของผู้ไม่หลงกับพวกเราที่มีความเหนียวเหนียวเหนนะ่ะจิตมันเหนียว จิตมันเหนียวเพราะมันมีกิเลสเวลาฝุ่นทุเรียนละอองมันฟุ้งกระจายมาทางตาทางหูทางจมูกทางที่ทางกายมามันก็ติดมันก็เกาะจิตใจมันเหนียวเหนียวไปด้วยกิเลสกิเลสมันเป็นยางเหนียวมันมาคลุกเคล้ามันมาฉโลมหัวใจของเราเนี่ยเมื่ออันนั้นฟุ้งมาก็เกาะอันนี้ฟุ้งมาก็เกาะอันนั้นฟุ้งมาก็เกาะอันนี้ฟุ้งมาก็เกาะ หากเกาะโดยหลักธรรมชาติของมันคําว่าเกาะก็คืออุปาทานยึดเอาโดยหลักธรรมชาติของมันยึดเอาด้วยความลุ่มหลงไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเราหากมีเวลาแล้นั่งกำหนดจดจ่อพิจารณาดูความลุ่มหลงของเราทดสอบความลุ่มหลง มันพาเรายึอดอยังไงมันพาเราถื อ, อยังไงมันพาเราเกาะเกี่ยวผูกพันยังไงนี่แหละคือเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ท่านสรุปลงมาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือปั่จะขันสรุปลงมาแล้วคือเกาะก้อนใหญ่กอใงใหญ่เสร็จแล้วเราก็กระจายออกไป รูปกรใจออกไปเป็นเวทนาเวทนากายเวทนาใจกรใจออกไปเป็นสัญญาเป็นกิริยาของใจสัญญาคือใจมันจําได้มันหมายมันรู้มันเป็นช่องออกมันเป็นช่องเข้าช่องออกของกิเลสถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจสัญญาก็คือสิ่งที่ล่วงไปแล้ว แต่หากจิตมันนึกนึกได้คิดได้รูปมันล่วงไปแล้วหาเรานึกได้คิดได้เห็นเป็นรูปเสียงมันผ่านไปแล้วกลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงมันล่วงไปแล้วแต่ขันอันหนึ่งที่จะเรียกว่าสัญญาขันเนี่ยมันเป็นกิริยาการอย่างหนึ่งของใจมันยังจำได้ นอกจากจำได้ของเก่าแล้วมันยังหมายของใหม่อีกด้วยของใหม่ที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นเคยได้ยินหมายอะไรก็ยึดอันนั้นหมายอะไรก็ยึดอันนั้นหมายอะไรก็เกาะเกี่ยวว่านั้นหมายอะไรก็ผูกพันอันนั้นเราพูดจริงเหล่านี้เราต้องดูไปที่ใจของเรานะกำหนดย้อนไปที่ใจของเรานี่คือภาวะภายในใจของเรานะภาวะที่จิตมันทุกข์มันเป็นยังไง ทุกข์หรยืดยืดรู้ตัวไหมรู้ตัวว่ยืดไหมไม่รู้ตัวทุกทุกทุกททบทีรู้ตัวว่าทุกข์บางทีก็รู้ตัวว่าไม่รู้ตัวว่าทุกข์แต่หากมันทุกข์โดยอัตโนมัติของมันนี่มันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปข้างใเพราะที่พระพุทธเจ้าท่านจีงสองกล่าวว่าสมุทัยสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่มาอย่ากไหนแหละมันมาจากกิริยา ของรูปธรรมกิริยาของนามธรรมากิริยาของรูปกิริยาของนามก็คือกิริยาของใจของเรามันทํางานประสับประสานกันเกาะกลุ่มคลุมเ ค, คลือปันคลุกเคล้ากันไปด้วยอํานาจของความลุ่มหลงหลงยึดหลงถือหลงเกี่ยวหลงคล้องหลงผูกพันถ้าหมดความหลงแล้วไม่ยึดไม่ถือไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ผูกพัน หากตาก็ทำหน้าที่ตามตาหูทำหน้าที่ตามหน้าที่ของหูจมูกลิ้นกายก็ทาหน้าที่ตามจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รู้ใจส่วนไหนที่เป็นกิริยาที่เป็นสัญญาที่เป็นสังขารที่เป็นวิญญาก็ทำหน้าที่ตามเรื่องของนาม กิจทั้งหมดนี้มาจากผู้รู้ผู้รู้คือจิตคือธาตุรู้มโนธาตุมโนธาตุาตแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้คือใจของเรานี่แหละแต่ด้วยเหตุที่มันเกิดมาแล้วมันครุกคล้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราดูยากเราเข้าใจยากจนไม่อยากดูแล้วก็ไม่อยากเข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องวันนี้แหละคือภาวะความเป็นคนนี่แหละคือภาวะความเป็นมนุษย์ ย่อมมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใจทั้งรุ่นแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวพระอริยาสาวกท่านแยกแยะทะลุปลุกโปล่ปลหมดเอออันนี้เป็นส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนนี้นีเป็นส่วนนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงวิจัยวิจารว่าอะไรเป็นเหตุแห่งอะไรอะไรเป็นผลแห่งอะไรได้อย่างถูกต้องชัดจริงพวกเราไม่เคยวิจารณ์วิจัยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรเชื่อสําคัญมั่นหมาย ตามความเชื่อตามความสําคัญมั่นหมายตามจริตตามนิสัยตามกําลังแห่งสติปัญญาของใครของเราไปเท่านั้นเองตามอํานาจของความรุ่มหลงตามอํานาจตามกําลังของความลุ่มหลงลุ่มหลงมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นถ้าลุ่มรุ่มหลงน้อยก็ทุกน้อยลุ่มหลง ปานกลางกระทุกปานกลางกับ ล, ลุ่มหลงมากกระทุกมากความหลงไม่รู้สึกตัวความไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือความหลงโมหะโมหะแล้วความหลงความรักก็เป็นจากอํานาจของโมหะความชัง่งเกิดขึ้นได้มีได้จากอํานาจของความของโมหะคือความหลงโมหะเออยวิชชาเออย ตัณหาเอ่ยอุปาทานเอ่ยนี่อันเดียวกันมันมาจากตัวกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราตัวกิเลสมันตัวกิเลสเอ่ยตัวโมหะเอ่ยตัววิชาเอ่ยตัวความโง่เง่าเอ่ยอะไรเอ่ยอันเดียวกันตัวขี้เกียจตัวขี้คลานตัวอิจฉ้าตัวทิษยาตัวพยาบาทนี่ตัวเดียวกันคือตัวกิเลส ถ้าเราจะพยายามรูดสิ่งเหล่านี้ออกรูดออกให้หมดอันนี้เป็นแขนงเล็กอันนี้เป็นแขนงใหญ่เรารูดทิ้งไว้ให้หมดเรารูดทิ้งให้หมดเรารูดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดเหลือความอยากความอยากที่มีอยู่กับผู้รู้ รู้ที่เต็มแปร่ไปด้วยความอยากอันนี้แหละเป็นแกนนําของดินสอเป็นจุดรวมของดินสอถ้าเราจะเหลาดินสอให้แหลมปิดมันจะแหลมเหมือนปลายหนามแหลมเหมือนปลายเข็มนั่นแหละคือจุดรวมของมันอ่ะตัวนั้นแหละเป็นพลังคือตัวเจ้าตัวจอมของมันอ่ะตัวนั้นน่ะตัวอำนาของความอยากเห็นไหม อัญหาภาษาวลีภาษาไทยแปลว่าความอยากอยากได้ตามต้องการอยากได้ตามชอบใจอยากได้ตามต้องการไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงต้นต่อว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าเกิดความอยากและขอให้สมอยากดีก็อยากไม่ดีก็อยากนาเฟะก็อยาก อืกลมเกลี้ยงกลมกลาอวเหมือนทองอืเหมือนทองรูปภ พ, พันอืดูแพรวพราเพราเหมือนเพชรนินจินดาก็หลงผูกพันหลงสัมพันธ์มั่นหมายแล้วยึดแล้วก็ผูกพันไปหมดนี่โดยอํานาจของความอยากมันไปจากอํานาจของความอยาก ทำไมเราจะรู้ว่าความอยากมันมีอยู่ในหัวใจของเราเราต้องย้อนมาดูเวลามันแสดงผลปรากฏออกไปแล้วล่วงไปแล้วเราจับผลนี่ย้อนไปดูเขามันเราจับผลนีล่แหละย้อนไปดูที่ใจของเราพอเวลามันแสดงผลปรากฏออกมาแล้วด้วยเหตุที่เราไม่ทันมันนะตอนในขณะที่มันทำงานเนี่ยเราไม่ทันมันเราจับผลตัวนี้แหละ ย, ย้อนไปหาเหตุมัน เช่นอย่างความความความอยากความรักอ่าเราพูดง่ายความรักโอ้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้ความรักความกำนัดยินดีพอใจเกิดขึ้นเต็มแปร่ในหัวใจของเราแต่ตอนมันเกิดไอ้ตอนมันเริ่มเกิดไอ้ตอนสาเหตุต้นต่อที่มันกำลังกำลังจะเริ่มเกิดเราไม่ทันมันโมหะมันปิดบังไว้หมดเรารู้แต่ตอนผลสแสดงปรากฏชัดเจนเราก็จับผลตัวนี้แหละ จับผลตัวนี้ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปยอปตัวเจ้าตัวจอมันนั่นแหละตัวเจ้าความยากมันอยู่เบื้องหลังเท่นั้นแหละเราจับได้เราทำได้ทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นนี่เป็นการหัดต้อนหน้าต้อนหลังขยับหน้าขยับหลังย้อนมาดูความรุ่มหลงภายในใจของตัวเองไม่งั้นเราโอกาสที่เราจะรู้สึกตัวนี่ยาก ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาความผ่กความเปลี่ยนสาวให้เกิดให้เกิดประสบการณ์ทดลวง ต, ตัวเราเองเข้าใจยากรู้ยากงกอยู่กับโลกนี้กี่กับกี่คันก็อยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ขยับมาตรงนี้ไม่รู้เรื่องถ้าเราเริ่มขยับมาตรงนี้เราก็จะรู้เรื่องรู้ราวอยู่บ้างความยึดความถือความสําคัญมั่นหมายความลุ่มหลง กี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยเราขยับมาตรงนี้เราจะเริ่มรู้สึกตัวเราเริ่มขยับมาเหมือนกับเราเริ่มเริ่มรู้จักรื้อฟื้นสาเหตุต้นตอที่ทำให้เราลุ่มหลงที่เราเราทำให้เราแบกที่ทำให้เราหามที่เราให้เราที่ที่ทำให้เราได้รับความทุกข์จากมันเราดูความทุกข์ออกไหมความทุกข์ในหัวใจของเราเวลามันทุกข์ แล้วมันรู้สึกตัวไหมว่ามันทุกข์รู้แต่ว่ามันแป๊วใจน้อยใจน้อยเนื้อตํำใจรู้สึกว่าเสียไปรู้สึกอายากได้มากๆรู้สึกว่าพลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่มันรู้สึกจนเกิดความชอบใจจนเกิดความไม่ชอบใจเกิดความดิ้นรนกระสับกระส่ายเกิดความยึด ถือเหนียวแน่นมั่นคงฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งนั้นแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องไม่รู้ตัวเราไม่รู้สึกตัวอำนาจของเจ้าความหลงตัวเจ้าความอยากนั้นมันกว้างขวางมากริดเดดของมันแขนขาของมันรูไปที่ตันหาการ ม, มาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเระดูสิ มันละเอียดมันลึกซึ้งมันกว้างขวางแต่มันอยู่ในใจของเราไปหาที่ไหนไม่เจอดอกหาที่ใจของเราเจอเรานั่งหลับตาแล้วก็ย้อนไปดูผู้รู้ของเราถ้าจับตรงนั้นไม่ทันเพราะมันละเอียดมากเวลาผลปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราก็จับผลจับผลแล้วพยายามแกะสาวไปหาเหตุหาหาต้นต่อเมันแกะเข้าไปแกะเข้าไปแกะเข้าไปแกะเข้าไป ถ้าเรียกว่าปอกเข้าไปปอกเข้าไปปอกเข้าไปปอกเข้าไปอ๋อเจ้าตัวนี้เองนี่คือวิธีการหัดเริ่มหัดต่อก่อนกับไอ้ตัวเจ้าตัวจองตัวความอยากตัวรับเหมาพบชาติกี่กับกีคันก็รวมอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงมาแยกแยกเป็นการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภภาวะตัญหาดูสิ ละเอียดไหมไอ้แค่เรามีอัตภาพร่างกายมาแล้วเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่ก็เป็นปัญหาทั้งๆที่ร่างกายมันจะต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ใช่ไหมคือมันอยากมันอยากไม่แก่มันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ตายคือเราพูดได้ว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายนี่ถ้านเรียกว่าวิภาวะตันหาความรู้สึกของจิตของใจเรามันปฏิเสธสิ่งที่มันจะพึงมีพึงเป็นตามหลักธรรมชาติของมันท่านยังให้เราศึกษาว่าธรรมชาติอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ธรรมชาติอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายอัตภาพร่างกายเราได้มาแล้วมันต้องแก่แล้วมันต้องเจ็บก่อนตายมันต้องเจ็บมันต้องขัดข้อง อัตภาพร่างกายของเราของท่านของใครก็ตามก่อนตายร่างกายก็ต้องขัดข้องอย่างน้อยน้อยก็คือระบบหายใจไม่ทำงานก็นแล้วกันแหละหัวใจไม่สูบไม่ฉีดปอดไม่ยุบเข้ายุบออกเนี่ยมันเข้าไปแล้วระบบระบบเนี่ยบางทีไม่เกี่ยวกับหัวใจล้มไม่เข้าไม่ออกล้มไม่เข้าไม่ออก ให้ใจเข้าแล้วไม่ออกให้ใจออกแล้วไม่เข้าระบบระเบียบมันเสียเนี่ยมันก็ไปแล้วมันมันเป็นไปตามเรื่องของมันที่มันจะพึงมีพึงเป็นท่านให้ดูให้เห็นหลักธรรมชาติเหล่านี้นี่เป็นการศึกษาเราดูไปว่าโอ้สิ่งนี้จะต้องแก่พอเราทราบโอ้มันจะต้องแก่โอ้หน้าที่มันมันจะต้องแก่โอ้หน้าที่มันจะต้องเจ็บโอ้หน้าที่มันจะต้องตาย เรามีหัวหางกลางตัวมีเท้ามีขามีแขนมีลาตัวมีอะไรนั่งอยู่กันเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บแล้วเราเราต้องตายโอ้เราจะต้องแก่โอ้เราจะต้องเจ็บโอ้เราจะต้องตายนั่นคือหน้าที่ของมันแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัหาไปในใจของเรามันนึกมันพานึกพานคิดมันอยากอยู่มันอยากไม่แก่อ่า อยากมีกำลังวังชายอยากครองเจ้าครองจอมครองโลกอย่างนี้แหละมาอยากเจ็บแต่มันต้องเจ็บแล้วไม่อยากหรอกแต่มันต้องเจ็บแล้วก็มันต้องตายไม่อยากตายไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายไม่มีแต่หากมันเป็นหน้าที่ของมันนี่ท่านท่านให้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาก็นี่แหละตัววิภวตัณหาตัณหา ปฏิเสธสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเป็นอย่างนี้เราเอาผู้รู้ที่เต็มแ่ด้วยตัณหาไปปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคนละเหตุคนละปัจจัยคนละเหตุคนละปัจจัยอันหนึ่งเป็นไปเพื่อเปเรี้ยว อันหนึ่งเป็นไ mm. ปเพื่อหวานเี่ยเราพูดง่ายๆอันหนึ่งเป็นไปเพื่อเค็มเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เราเอาความอยากในใจของเราเอออันนี้มันมีหน้าที่ที่จะต้องเค็มอยากเค็มได้ไหมมันมีหน้าที่ต้องเปรี้ยวอยากเปรี้ยวได้ไหมมีหน้าที่ต้องหวานอยากหวานได้ไหม หรือไม่เปรี้ยวพอดีไหมได้ไหมเค็มพอดีได้ไหมหวานพอดีได้ไหมมันหากกะเกณทุกอย่างจะให้เป็นไปตามใจหวังของมันผิดหวังทุกอย่างกะเกณอันนั้นให้เป็นไปตามใจหวงังผิดหวังกะเกณอันนี้ให้เป็นไปตามใจหวังผิดหวังเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างแต่เรานี่แหละ เอาความอยากไปตัดสินขอให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเถอะจากนั้นแล้วก็ไม่เคยคำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยอย่างอื่นเลยสาเหตุต้นตออะไรคือตัวสมุไทยเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่เคยสนใจหากจะแก้ก็แก้ผิดๆเพราะอะไรเพราะเข้าใจผิดเวลาแก้มันก็พาแก้ผิดพอแก้ผิด แทนที่มันจะเป็นการแก้มันก็เป็นการมัดก็เหมือนอย่างเราหายใจไม่ออกนะมันถูกพันที่คอเนี่ยก็ยังเอามาพันพันพันพันพันพันแต่เราเข้าใจเราแก้มันก็ยังพันหนาตึบจนหายใจไม่ออกจนจะตายอา้าวแทนที่จะเบากลับหนักไปหน้าเพราะอะไรเพราะเราแก้ไม่เป็นเราแก้ไม่ถูกหลักธรรมชาติของธรรมเราต้องศึกษา เราไม่ศึกษาเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็หลงหลงปฏิบัติตามอำนาจฝ่ายตา่ำอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลาอย่าลืมว่าวันเวลาล่วงไปมันพาเราทํางานผิดมันกรอบโกยเป็นวิบาบเป็นอกุศลวิบากเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนา่าตึงหนักจนแบกไม่หวัไม่ไหวแทนที่จะเกิดผลดีเกิดผลเสียวิธีที่ถูกต้องดีงาม ต้องดำเนินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเราพูดถึงวิภวตัญหาทีนี้เราพูดถึ ง, าาถงภาวะตัญ ห, หาอยากมีอยากเป็นถ้าพูดถึงตําแหน่งหน้าที่อยากเป็นนนเป็นนี้อยากเป็นสารวัตรคำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าอผู้กํากับผู้อะไรแล้วแต่อยญ่อยากเป็นนายกอยากเป็นความอยากเป็น นี่คือตัวเจ้าตัวเจ้าความอยากอันนี้ตัวภาวะตันหามันเป็นอีกละเอียดเข้ามาอีกอันหนึ่งมันเป็นอีกเปลาะหนึ่งที่ทำให้เราหลงลึกเข้าไปอีกนี่คือภาวะตันหาอยากมีอยากเปลี่ยนตันหาแปลว่าความอยากกามตันหากามแปลว่าวัตถุอันพึงใคร่ เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจริงเหล่านี้เป็นกามท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณกามะคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้ท่านเรียกว่ากามกามะคุณกามแปล ว, ว่าวัตถุกามแปล ว, ว่าวัตถุอันนาคใครคําว่าใคร่ ค, ค, รคือความกําหนัดความยินดีความหลงความเพลินใจความพอใจ แต่ด้วยเหตุที่กิเลสเรามีในหัวใจอยากดึงเข้ามามันก็เป็นกิเลสอยากผลักออกไปเพราะเราไม่ชอบใจมันก็เป็นกิเลสมันถูกทั้งขึ้นทั้งล่องดึงเข้ามามันก็ด้วยอํานาจของความหลงผลักออกไปก็ด้วยอํานาจของความหลงสิ่งเหล่านี้เราไม่ยินดีเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจจงหมดไปจงจงสิ้นไปเราคิดเอาเฉย แต่เหตุที่เราจะพึงแก้ให้ถูกต้องเราอย่างไม่เจอยังไม่ประสบพบเจอว่ามีเหตุใดบ้างที่จะทำให้เราออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนมาพิจรารณาตัวหลงนี่แหละตัวนี้แหละตัวตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละท่านจึงให้ให้เราพิจารณาตัวนี้ถ้าเราไม่พิจรารณาเราก็ไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็พลอย อยู่ภายใต้อำนาจของมันนั่นแหละกินเนื้อกินหนังกินพลังของมันแหละมันแทรกจิตของเราทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเหมือนกับเราต้องแบกอะไรที่หนักหนั ก, นกที่สุดจนงหัวไม่ขึ้นพลอไม่ขึ้นถ้าเพื่เราตกลงที่หล่มที่หล่อมหล่อมไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกจนจนมิดหมดทั้งตัว นี่คือจุดตัวกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราดูกามที่เป็นวัตถุกามข้างนอกกับกามที่มันไปมีบทบาทอยู่ในหัวใจนึกคิดสิ่งที่ล่วงไปแล้ววัตถุกามสิ่งน้นสิ่งนูน้นสิ่งนูน้นสิ่งนูน้นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเพชรนินจินตาสารพัดมันพานึกละเอียดลึกก็เป็นหัวใจของเรา นี่คืออำนาจของเจ้าของจอมของวัตจักรที่มันพัดผันมัดจิตมัดใจของเราด้วยกันทุกคนไม่มีวิชาใดในโลกที่จะแก้ได้นอกจากวิชาธรรมะของพระเจ้าเพราะยะีวิธีจัดการของมันระยะแรกท่านจึงให้สํารวมระมรัดระวังเข้ามาสํารวมโดยศีล สัมรวมกายเข้ามาสัมรวมวาจาเข้ามาสัมรวมใจเข้ามานี่คือวิธีการที่จะตอกคอนกับมันเมื่อสัมรวมกายได้สัมรวมวาจาได้มันไม่โดดโลดเต้นมันไม่คึกขนองทําให้กายเราปกติวาจาเราปกติจิตของเราก็ปกติมีเขามีเท่าเดิมไม่เพิ่มมาอีกโดยเหตุที่ว่าเราสัมรวมระมัดระวังปิดช่องปิดรูแม่้มันทะลักเข้ามา ท่านยิงให้รักษาศีลถ้าเราศีลไม่รักษามันทะลักเข้ามาได้ทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีมาทับถมหัวใจเราถ้าเราเริ่มสำรวมระมัดระวังแล้วของเก่ามีเท่าไรก็เท่าเดิมของใหม่มันไม่ทะลักเข้ามาเมื่อของเก่าไม่เข้ามาเมื่อของใหม่ไม่เข้ามาของเก่ามีอยู่เท่าไรก็มีอยู่เท่าเดิม จากนั้นแล้วท่านก็ให้เราพยายามภาวนาทำจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละเมื่อจิตเริ่มได้รับความสงบบวกกับพลังของศีลประกอบเข้ามามันก็มีพลังสองชั้นเป็นเหตุสํารวมกายด้วยเป็นเหตุสํารวมใจด้วยภาวนาเนี่ยเป็นเหตุสํารวมใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกิเลสใหม่แทรกเข้ามาที่ใจไม่ได้ เพราะใจเรามีงานทําใจเรามีงานทําผู้ที่ทํางานอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องอาศัยความอุตสาหพยายามขยันหมั่นเพียรไม่อาศัยความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอจิตใจอ่อนแอคือจิตใจที่ขี้เกียจขี้คร้านจิตใจที่ขี้เกียจขี้คร้านคือจิตใจที่อ่อนแอขีเรศเช่า เป็นเหยือ่อเป็นอาหารอันโอชะของมันแหละเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาเสร็จกูละเสร็จกูละเสร็จกูละเสร็จกูละกิเลสยิ้มหวานเลยละ่ะแค่กิเลสไปแทรกใจเราไม่ได้เรามีความสุขจากนั้นแล้วท่านให้วิตย์ออกน้าน้ำใหม่ไม่เข้า น้ำเก่ามีเท่าไรเราพยายามวิตออกกิเลสใหม่ไม่เข้ากิเลสเก่ามีอยู่เท่าไรเราพยายามพิจารณาคำว่าเอาน้าวิตเข้าวิตออกนั้นเป็นข้ออุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบแต่วิธีการทำงานเอาสิ่งเหล่านี้ออกท่านให้พิจารณาเพื่อทำลายความหลงนี่แหละที่ท่านเรียกว่าให้วิตออกให้วิตออก อกุศลเหล่านี้ที่มีอยู่ในหัวใจให้เราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาโดยธรรมเพื่อผ่อนคลายบรรเทาทําทลายโมห oh ะความรุ่มหลงเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาหากสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นบารมีทําไปก็เพิ่มพูนไปทําไปก็เพิ่มพูนไปทวีคูณไปเพิ่มพูนไปทวีคูณไปจิตใจของเราก็ บุญบารมีภายในใจของเราก็เต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาเออรู้สึกสว่างสวยเออรู้สึกเบากายเบาใจโอ้รู้สึกมีแสงสว่างโอ้รู้สึกอบอุ่นโอ้รู้สึกได้ที่พึ่งพิงโอ้รู้สึกเบาสบายปลอดโปรง่งมันไม่เหมือนเราแบบก้อนอะไรนะแบบก้อนอะไรเช่นอย่างอะไรก็ตามที่เราใส่กระสอบนะ่ะจะเป็นของหนัก เหมือนอย่างหนักเหล็กหรือจะเป็นของหนักเหมือนหนักอะไรหนักแกลบหรือนหนักนุน่นหรือนหนักอะไรที่เราแบกทับหัวเราอยู่เนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนเราปล่อยเราทิ้งเราวางนั่นแหะภาวะของความเป็นทุกข์ในหัวใจของคนของเรามันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือเราพยายามจะตั้งใจจะต่อก่อนเขามันต้องอาศัย พึ่งพิงอาศัยศีลอาศัยสมาธิและอาศัยปัญญาศีล ส, สมาธิพยายามไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นปัญญาพิจารณาคลี่คลายเป็นการทําลายอากุศลที่มีอยู่แล้วให้เบาไปให้บางไปให้หมดไปให้สิ้นไปหมดไปเบาไปบางไปมากน้อยเท่าไหร่ ความสุขในหัวใจของเราก็เพิ่มพูนทวีคูณแสงสว่างในหัวใจของเราก็เพิ่มพูนทวีคูณไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสิ่งเหล่านั้นแหละมันกลายเป็นสังขารที่ไปหมกมุ่นอยู่ในหัวใจของเราด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจถ้าเราเริ่มหัดฝึกหัดพิจรารณาจนเกิดความรู้จนเกิดความข้างใจสังขารเหล่านั้นก็ทํางานน้อยลงสังขารเหล่านั้นก็ทํางานตามหน้าที่ตามหลักธรรมชาติของเขา ไม่ได้ทำงานด้วยพลังของความอยากไม่ได้ทำงานด้วยพลังของกิเลสกิเลสก็เป็นสั์อีกสับหนึ่งกิเลสเลยว่าสภาพทำให้จิตเราเศร้าหมองไอ้จุดตัวเจ้าความอยากที่เป็นไปในทางเสียหายนี่แหละมันทำให้จิตของเราเศร้าหมองอยากกะอยากเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองโดยไม่ได้รู้ได้เข้าใจถึงหลักธรรมชาติสร้างความหวังให้กับตัวเองอยู่ร่ำไป หวังหวังสิงนูนก็ผิดหวังวังสินี้ก็ผิดหวังวังสินั้นก็ผิดหวังวังสินี้ก็ผิดหวังแก้สิ่งนั้นแก้ผิดแทนที่จะประสบผลตามที่เราหวังก็ผิดหวังแก้สิ่งนี้ด้วยเหตุที่แก้ผิดก็ได้ประสบความผิดหวังเนื่องจากว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปรู้สัจจะสัจธรรมเหล่านั้นตามเป็นจริงได้ก็เลยหลง หลงยึดหลงถือหลงแก้หลงผูกพันอยู่นั่นแหละไม่รู้อะไรเป็นอะไรหมกมุ่นหมดสังขารทั้งหลายนี่นุ่งตุงนางเต็มไปหมดใ น, นหัวใจของเราเราเข้ามาแก้ไขพิจารณาคลี่คลายตรงนี้ทําให้สังขารทั้งหลายเขาสงบนิ่งอยู่ตามภาวะแห่งความตามธรรมชาตนะิสังขารร่างกายมันเป็นสังขารของมันอยู่อย่างนั้นแต่สังขารจิต ที่ถูกอิเลดมันแทรกแซงเข้าไปสิงอยู่ในจิตมันพันไปด้วยอำนาจของความหลงตัวนี้แหละท่านพยายามให้แยกแยกให้ให้ให้คลี่คลายให้กระจายออกจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยรู้ว่าเป็นตัญหาก็ปล่อยเมื่อไม่มีตัาหาไม่มีตัาหาแล้วก็อุปาทานก็ไม่มี เนือ้อโมปาทานไม่มีพบก็ไม่มีไม่มีที่เกิดการที่เราจะไปเกิดในพบนั้นๆมันก็ไม่มีเราดํารงตนอยู่เท่าเดิมกับภาวะที่เรามีที่เราเป็นอคือผู้รู้ของเราบริสุทธิ์ความอยากเบาไปบางไปหมดสิ้นไปโดยเหตุที่ความอยากหมดสิ้นไปท่านว่าจิตโดวนั้น ไม่มีสังขารเข้าไปปรุงจิตดวงนั้นได้กลายเป็นจิตที่เราเรียกว่าวิสังขารไม่มีสังขารไม่มีปรุงไม่มีตันหาไม่มีอุปาทานเมื่อหมดสังขารก็หมดภพหมดชาติหมดสังขารก็หมดทุกหมดกองทุกร่างกายเป็นวิบากกรรมประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเขาไม่ได้ทุกนะดูไปที่ร่างกายเขาไม่ได้ทุก แต่ทำไมเราระเบิดกองทุกอยู่เราว่าเราเบกกองทุกอยู่ก็เพราะอะไรก็เพราะเราหลงยึดสังขารสังขารที่เราเบรกอยู่เนี้ยเราทุกข์เพราะเราหลงยึดเราไม่เคยพิจารณาเราก็หลงอยู่ร่าไปเราไม่เคยพิจารณาเราก็หลงอยู่ร่าไปเรายึดเราก็ทุกข์ทุกหนึ่งทุกสองแล้วก็ทุกสามนกยึดตัวเองแล้วก็ยึดสิ่งโน้นสิ่งนี้คนน้นคนนี้ ยึดหนึ่งยึดสองยึดสมยึดสาดสรพัดแล้วแต่มันจะผ่ายึดยึดหมดทั้งโลกกราน ย, ยึดได้หมดแต่พูดถึงอยากตามอำนาจของความอยากอยากได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างอยู่ในเงื้อเหมืองของตัวเองทั้งหมดอยากแบบไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอยากตามอนาของความอยากหาหลักธรรมชาติหาเหตุหาปัจจัยที่จะเข้าไปสู่หลักธรรมชาติ ให้เกิดความพอดิบพอดีเกิดความปล่อยเกิดความ ว, วางมันไม่มีมีมีแต่กย็ยืดยึดยืดยืดจนให้หมดทั้งโลกกระท่าดิก็ยังไม่พอกับเจ้าความอยากเลยยังไม่พอคือนชื่อว่าความอยากแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลในตัวมันไม่มีคึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีเหตุผลหนึ่งให้กับตัวมันไม่มี ทำเอื้ออย่างนี้มีเหตุผลเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นนี้ไม่มีเอาความอยากเป็นเกณฑ์เป็นประมาณอุบายสติปัญญาที่จะเอาไปใช้พิจารณาคลี่คลายด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันก็ไม่มีมันไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมันไม่สนใจเรื่องเหตุผลความอยากเป็นเหตุเป็นผลความอยากเป็นประมาณ มันเลยไปกะเกณฑทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เป็นไปตามใจหวังกะเกณฑ์ร้อยโลกก็ผิดหวังร้อยร้อยร้อยโลกร้อยร้อยโลกร้อยร้อยโลกร้อยโลกผิดหวังกะเกณฑร้อยครั้งก็ผิดหวังร้อยครั้งกะเกณฑร้อยโลกมันก็ผิดหวังร้อยโลกกะเกณฑกี่กับกี่กันมันก็ผิดหวัง เป็นกลับเป็นกันหาประมาณไม่ได้หมกอยู่ในโลกหมกอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่โผล่ไม่มีจุดจบถ้าหากเราไม่หันมาดําเนินตามหลักปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วหมกอยู่ในโลกไปดูทิฏฐิหกสิบกว่าทิฏฐิของบรรดาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกอทุกคนอยากออกจากโลก ทุกคนอยากออกจากกองทุกจะเด้วยความมืดบอดออกไม่ได้อยู่ในกรงข่ายพระพุทธเจ้าหากท่านได้ออกมาได้ด้วยบุญญาบา ร, รมีอย่างเหนียวแน่นมั่นคงในหัวใจพอบา ร, รมีให้ผลเต็มเปี่ยมเต็มที่ก็ เ, เป็นเหตุให้พระองค์มาบัติแสวงหาด้วยเรี่ยวแรงเห็น ไ, ไหมถึงกรขนั้นก็ตาม ต้องล้มลุกคลุกคลานทั้งห้าปีทั้งหกปีกว่าจะได้เอาธรรมะมาสอนพวกเราชี้ทางให้กับพวกเราใ ห, ให้เราได้ให้เราได้พากันได้ข้อปฏิบัติได้ทางดำเนินตามสิ่งเหล่านี้มันเหนียวแน่นมั่นคงในหัวใจสิ่งหนึ่งที่เราควรมองเป็นประจำก็คือหัวใจของเรามองย้อนเข้าไปมองย้อนเข้าไปไปดูสิ่งเหล่านี้แหละ พิจารณาเข้าไปยาโทษ ด, ดินน้ำลมไฟเทวดาอารักผีสางนางไม้นยาไปโทษเด็ดขาดผีเปรตยักษ์ที่ไหนไม่มีตัวผีตัวเปรตตัวเสนียดตัวจันไรตัวยักษ์ตัวมารก็คือใจของเราเองมันโง่มันหลง อย่าไปว่าสิ่งนู้นอย่าไปว่าสิ่งนี้ว่าแล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ว่าสิ่งนู้นว่าแล้วเราแก้ไขไม่ได้พระจันทร์พระอาทิตย์ว่าแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้ว่าผิดอีกตั้งห่าอีกแต่ถ้าเรามาว่ามาที่ใจของเราใจมันเป็นผู้ทุกข์มันมีเหตุพันให้มันทุกข์อยู่ดูไปที่ใจของเราที่มันทุกข์จับผลถ้าเราถ้าเรายังไม่เห็นเหตุเราพยายามจับผล เดี๋ยวนี้ในใจของเรามันมีอะไรปรากฏยังไงบ้างโอ้ยทุกข์เร้าเร้าเร้ร้าดือดร้อนน่ะเฮ้มันทุกข์เพราะอะไรอ๋อทุกข์เพราะเราคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเอาคิดทั้งใหม่คิดแยกแยะหาเหตุหาปัจจัยของมันแยกแยะเขาไปเรื่อยแยกแยะเขาไปเรื่อยแยกเขาไปเรื่อยในขณะเดียวกันอุปาทานมันก็คลี่คลายไปตัณหามันก็คลี่คลายไป ประเทองสติประเทองสัมพัชัญญะประเทืองปัญญาประเทืองญาณเพิ่มพูนทวีคูณมาที่หัวใจีสิ่งนี้แหละเป็นพลังงานที่เราควรปรับปรุงทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะเป็นพลังงานสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็ผลักดันกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปจากหัวใจของเราได้อย่างอื่นไม่มีมแต่ยึดเข้ามาพันเข้ามาพันเข้ามาพันเข้ามา เราได้ยินได้ฟังเอาไปพิเนีพิจารณาจริงหนึ่งที่เราควรมองระจําคือจิตของเราจิตเราพาลุ่มหลงจิตพาเราทุกข์จิตพาเรายากพาเราลาบากเราหัดมองให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้กิเลสทั้งหลายที่มันรวมตัวมันเกาะกลุ่มตัวอยู่ในถ้ำคือใจของเราเนี่ยให้มันแตกประหยัดกระจายออกไปเกิดสติเกิดปัญญา เกิด ค, ความสว่างสัยในหัวใจสิ่งนี้ต่างหากเป็นการสร้างสรรเพื่อความสุขความเจริญให้กับหัวใจอย่างแท้จริงเอาละพอสมควรแค่เวลาุติแค่นี้